การเลือกตั้งทั่วประเทศซึ่งอยู่ในความสนใจของผู้คนเรียกว่าอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนคนไปไปยอนบัตเลือกตั้งเมื่อวานนี้นี่เรียกว่ามากที่สุดเป็นประวัติการ เ, าเกิด 80% ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งวันนี้ผลการเลือกตั้งก็ออกมาแล้วนะอาจจะไม่ถึงกับร0 0เพอรเพอผลเลือกตั้งออกมาก็มีทั้งคนดีใจและคนเสียใจดีใจเพราะว่า ผลออกมาอย่างที่ตัเองคาดหวังหรือปรารถนาหลายคนก็บอกว่าเนี่ยรอวันนี้มานานแล้วส่วนคนที่เสียใจนะก็เพราะว่าผลการเลือกตั้งนะมันไม่เป็นไปอย่างที่คิดหรืออย่างที่ปรารถนาไม่ว่าดีใจหรือเสียใจนะก็ต้องรู้จักวางใจให้เป็นดีใจก็จะไปดีใจจนสุดๆนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องประเดียบประดาชั่วคราว นะความดีใจมันก็ไม่เคยยั่งยืนแล้วก็ถ้าดีใจมากนะมันก็อาจจะเสียใจมากในเวลาต่อมาเมื่อผลที่ตามมามันไม่เป็นไปอย่างที่คิดเพราะว่าคนเราพอเวลาดีใจเมื่อสมหวังแล้วมันก็จะคิดปรุงแต่งไปต่างๆนานามีความคาดหวังนะในสิ่งต่างๆมากขึ้น แล้วพอมันไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวังก็ย่อมเสียใจเหมือนคนที่สมหวังดีใจในรักแต่พอดีใจมากๆถึงเวลาผิดหวังก็เสียใจเรียกว่าจนจิตดำดิ่งนะสู่ความทุกข์ยิ่งดีใจมากมันก็ถึงเวลาเสียใจมันก็เสียใจสุดๆเหมือนกัน น, นี้เป็นธรรมดาโลก ส่วนคนที่เสียใจนะ ก, ก็จะไปตี อ, อกชกหัวมากเกินไปให้รู้จักยอมรับว่าความจริงมันก็ไม่เป็นไปอย่างที่เราปรารถนาเสมอไปอย่าไปมองหาความผิดจากโลกหรือว่าจากสิ่งต่างๆโลกไม่ได้ผิดนะที่สิ่งต่างๆมันไม่เป็นไปตามใจเรา แต่เป็นเพราะระวางใจผิดทางหากที่คาดหวังว่าทุกอย่างมันจะเป็นไปอย่างที่ปรารถนาเสมอไปยิ่งคาดหวังยึดมั่นหรือปรารถนามากเท่าไหร่พรอไม่เป็นไปอย่างที่ปรารถนามันก็ยิ่งทุกข์มากเท่านั้นล่ะ ความทุกข์มันจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่ระดับของความปรารถนาหรือความอยากยิ่งปรารถนามากยึดมั่นมากพอมันไม่เป็นไปอย่างที่เราปรารถนาหรือว่ายึดอยากก็ลงไปได้ความทุกข์อย่างที่ผู้พเจารตรัสว่าเนี่ยปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนันก็เป็นทุกข์ไม่ว่าสิ่งที่ปรารถนาจะเป็นอะไรเล็กหรือใหญ่ แต่ถ้าปรารถนามากก็ทุกมากเลยว่าถ้าปรารถนาอยากให้อะไรต่ออะไรเป็นไปตามใจเราทุกอย่างชีวิตชวหรือความเป็นจริงของโลกนี้มันไม่สมหวังเราตลอดเวลาเนี่คือความจริงอย่างหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็ยอมรับว่าทไมยอมรับตีอกชกหัวกรัดเกลียวหวยวายตีโพยตีพายม น, นก็ เท่ากับสร้างทุกเธใตัวเองก็อาัยนสิ่งที่เกิดขึ้นนี่แหละมาเป็นเครื่องสอนใจเตือนใจดีใจก็อย่าดีใจสุดๆเสียใจก็ให้รู้จักยอมรับไม่บ่นไว้วาตีโพยตีภายที่จริงช่วงเดือนที่ผ่านมานี่มันก็ ผู้คนเรียกว่าทางประเทศก็ว่าได้นะก็ต่างบกบุญคุ้น ค, คิดอยู่นั่นว่าจะเลือกใครจะเลือกพักไหนตัวเองเลือกไมพก่พอก็ไปขนขวายให้คนอื่นเลือกอย่างที่ตัวเองต้องการหรืออยากจะรู้ว่าเขาเลือกอะไรเขาเลือกใคร มันเป็นช่วงเดือนแห่งการหมกมุ่นอยู่กับการเลือกผู้แทนที่คิดว่าใช่จนบางทีเราลืมไปว่ามันมีสิ่งอื่นนะที่เราควรจะให้เวลาในการเลือกมากกว่าเดี๋ยวนี้สมัยนี้เนี่ยมัน มีอะไรต่ออะไรชักชวนให้เราเลือกเลือกนันเลือกนี้มากมายนะไม่ใช่แค่เลือกผู้แทนแต่เลือกช็อปเลือกซื้อสิ่งโน้นสิ่งนี้มีอะไรให้เลือกมากมายไม่มียุคใดนะที่ผู้คนเนี่ยจะวุ่นวายนอยู่กับการเลือกอะไรต่ออะไรสารพัด ทั้งอาหารการกินสิ่งเสพเสื้อผ้าหน้าผมสถานที่ท่องเที่ยวแม้ทั้งเลือกสถานที่เรียนเลือกที่ทำงานโดนิ่มก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ของผู้คนจนลืมไปว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่สาคัญกว่าที่เราควรจะใส่ใจในการเลือกแต่ว่า เป็นเพราะเราไปหมกมุ่นนะสารวจนตัว ก, การเลือกอะไรต่ออะไรมากมายทั้งเรื่องผู้แทนรัฐบาลข่าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าหน้าผมมีอะไรให้เลือกเต็ไมไปหมดจนเราลืมไปว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากที่เราควรจะใส่ใจในการคุ้นคิดนะว่าจะเลือกอะไร สิ่งหนึ่งคือว่าเราจะเลือกชีวิตของเราอย่างไรจะเลือกชีวิตที่ใช่ในแบบของเราหรือชีวิตที่ไหลไปตามกระแสกระแสสังคมหรือว่าเสียงชักชวนของคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนฝูงหรือว่าสังคมวงกว้างนี่คนเรานี่ไม่ค่อยได้คิดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่นะ บางที่มันเป็น่งที่เลือกได้เราจะเลือกชีวิตที่ใช่ในแบบของเราหรือว่าชีวิตที่ไหลไปตามกระแสแล้วพอไม่ได้เลือกนะมันก็มักจะลงเอยบางทีว่าไปไหลไปตามกระแสเมืม่อจะเป็นเรื่องเรียนเรื่องกินเรื่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งเลือกคนรักงานการต่างๆแล้วสุดท้ายก็ไหลไปตามกระแส บริพนิยมหรือว่าไหลไปตามกระแสะของการปุปปั่นให้ไม่ใช่แค่เรื่องกินการเกลียดนะแต่ว่ารวมไปถึงเรื่องโกรธเกลียดกลัวแล้วก็กลุ้มถึงมาเลือกได้นะแต่คนไม่ค่อยคิดถึงเรื่องนี้เท่าไหร่และถึงแม้ว่าจะเลือกชีวิตที่ใช่ในแบบของเราเนี่ยนะ หลายคนก็ไม่ได้เลือกนะหรือใส่ใจว่าเราจะเลือกวิถีของใจแบบไหนหรือจะเรียกว่าเป็นนิสัยของจิตก็ได้รู้ว่าชีวิตที่ใช่ในแบบของเรามันคืออะไรแต่ว่าก็ไม่ได้ใคร่ครวรต่อไปว่าเนี้ย ไอ้อที่ใช่แบบนั้นเนี่ยนะเราจะจะมีจิตจิตใจแบบไหนจะเรียกว่านิสัยของจิตหรือจิตตานิสัยกนะ็ได้เช่นใจที่ชอบเพิ่มสุขหรือว่าเติมทุก เราจะเติมสุขให้ใจหรือเราจะเพิ่มทุกข์ให้ใจเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เลือกได้นะแต่หลายคนก็ไม่ได้คิดที่จะเลือกจริงจังเท่าไหร่มันเป็นสิ่งที่เลือกได้นะเราจะ <c oughs> เติมสุขให้ใจหรือเราจะเพิ่มทุกข์ให้ใจเนี่ย ซึ่งมันก็โยงไปถึงว่าเนี่ยเราอยากจะเราเลือกได้ว่าเราจะคิดบวกหรือคิดลบมองบวกหรือมองลบถ้าเรารู้จักมองบวกหรือเราเลือกที่จะมองบวกนะมันก็สามารถเติมสุขให้ใจแต่ถ้าเราเลือกมองลบมันก็เพิ่มทุกข์ให้ใจถ้ามองบวกหรือมองลบนี่มันก็เลือกได้นะมองบวกนี่มันหมายความว่า ฝันหวานฝันกลางวันหรือวาดภาพที่สวยสดงดงามของอนาคตจะมาหมายถึงการรู้จักมองสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้เห็นสิ่งที่มันช่วยเติมสุขให้ใจรู้จักชื่นชมสิ่งดีที่มีอยู่รู้จักขอบคุณ สิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเราหรือรู้จักเห็นด้านดีนะของสิ่งต่างๆรวมทั้งประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอันนี้คือสิ่งที่เลือกได้นะเช่นเดียวกันเนี่ยเือกที่จะมองลบเห็นแต่ข้อเสียนะเห็นแต่ด้านลบด้านร้ายของผู้คนที่อยู่รอบตัวประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามา มันก็เหมือนกันมันก็ทําได้เหมือนกันแล้วถ้าเราเลือกที่จะเติมสุขให้ใจเนี่ยมันไม่ใช่แค่มองลบมไม่ใช่แค่มองบวกนะมันต้องรู้จักรู้ทันความคิดและอารมณ์ด้วยนี่ก็เป็นสิ่งที่เราเลือกได้นะรู้ทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นหรือจะไหลไปตามความคิดและอารมณ์ นะที่พุดเข้ามานี่คือสิ่งที่เราเลือกได้แล้วคนส่วนใหญ่ก็ไม่รู้นะว่ามันเลือกได้นะหรือไม่คิดว่ามันทำได้ด้วยซ้านะเอไอการที่เราจะรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์พอไม่รู้ว่ามันมีทางเลือกสายนี้เนะี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่า ปล่อยใจให้ไหลไปตามความคิดและอารมณ์สุดแท้แต่มันจะคิดอะไรอารมณ์ใดมันจะพาไปก็ไหลไปบางทีก็ฝันกลางวันบางทีก็ใจลอยบางทีก็จมดิ่งอยู่กับความความเศร้าความเจ็บปวดหรือว่าประสบประสบการณ์ความทรงจําที่เลวร้วายเอาแต่จมดิ่งอยู่กับความคิดและอารมณ์เหล่านั้นนี่ว เ, เพราะไม่เลือกนะ ที่จะรู้ทันความคิดและอารมณ์หรือรู้ว่ามันเลือกได้ถ้าเราจริงจังกับชีวิตเนี่ยนะเราปรารถนาชีวิตที่ใช่ในแบบของเราเนี่ยมันก็ต้องรู้จักเลือกนะว่าเราจะรักษาใจให้ปกติเมื่อมีอะไรมากระทบนะหรือว่าปล่อยใจให้มันกระเพื่อมขึ้นลงสุดแท้แต่ว่า เจออะไรมากระทบกินได้รับคามชมก็ปล่อยใจลอยยิงโลดพอถูกตำหนิวิจารก็เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจหรือเกิดความแค้นเคืองเวลาเจออะไรที่สมหวังก็ดีใจ สุดๆแต่พ อ, เ, อเจออะไรที่ไม่สมหวังก็เศร้าโศกเสียใจโวยวายตีโพยตีพายแทนที่จะเลือกรักษาใจให้ปกติไม่ว่ามีอะไรมากระทบบ ว, บวกหรือบวกหรือลบดีหรือร้ายใจก็ตั้งมั่นเป็นปกติได้นี่คือสิ่งที่เลือกได้นะแต่คนก็ไม่ค่อยเลือกกัน ส่วนหนึ่พอไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ทำได้เวลามีความไม่สมหวังไม่ถูกใจเกิดขึ้นเราเลือกได้นะว่าจะโกรธโวยวายตีโพยตีพายหรือจะนิ่งสงบสงบเพราะ เห็นว่ามันเป็นธรรมดาหรือนิ่งเพราะยอมรับได้ว่ามันเป็นเช่นนั้นเองหรือยอมรับได้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วทำอะไรไม่ได้โวยวายตีโพยตีพายก็มีแต่จะเติมทุกข์ให้ใจ่ในน้อยเนี่ยถ้ารู้จักยอมรับมันได้มันก็ไม่ซ้ำเติมตัวเองให้มาไปกว่า น, นั้น นี่เป็นสิ่งที่เลือกได้นะแต่คนไม่ค่อยเลือกผู้อย่างนี้คือว่าเราเลือกได้นะว่าเมื่อเจอความผันผวนป่วนแปรในชีวิตนะหรือว่าในการงานในความสัมพันธ์หรือว่ามีความผันผวนป่วนแปรเกิดขึ้นกับทรัพย์สินเงินทองของเราเรียกว่าเกิดทุกข์ขึ้นมาเนี่ย เราจะเป็นทุกข์หรือเราจะรู้ทุกข์นี่ก็เลือกได้จะเป็นทุกข์หรือจะรู้ทุกข์นะหรือว่าจะเป็นทุกข์นั่นกนหนึ่งอันหนึ่งหรือว่าจะเห็นทุกข์และจิตไม่เป็นทุกข์กับสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือทางเลือกของใจเรานะ ซึ่งมันจะนำไปสู่คำตอบว่าเนี่ยชีวิตที่ใช่ของเราเนี่ยนะมันจะเป็นชีวิตที่พาเราไปสู่ความปกติสุขหรือว่าจะพาเราไหลไปตามกระแสของโลกทั้งทั้งที่ไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้น แต่มันก็ไหลไปจนได้ขึ้นลงหรือว่าสุขทุกข์ไปตามสิ่งที่มากระทบหาความสงบเย็นไม่ได้เลยอันนี้คือทางเลือกนะของใจเรานะที่มันเป็นไปได้แต่ว่าเราไม่ค่อยเลือกกันเท่าไหร่เราัมแต่ไปเลือกโน่นเลือกนี่ไปหมกมุ่นนะ กับการเลือกอะไรต่อหลายมากมายซึ่งก็สําคัญแต่ว่าสิ่งที่สําคัญกว่านี้ก็คือการเลือกอย่างที่ว่านี้นะซึ่งสูงง่ายคือว่าเราจะเติมสุขให้ใจหรือเราจะเพิ่มทุกข์ให้ใจเราจะมีชีวิตทีนะ่พาไปสู่ความทุกข์หรือมีชีวิตที่พาไปสู่ความไม่ทุกข์สุดท้ายเราก็เลือกได้นั้นระหว่าง ชีวิตที่มันถูกคร่อบงำด้วยความหลงหรือว่าชีวิตที่มันเป็นไปได้วยความรู้เนื้อรู้ตัวแต่คร น, นี้เนี่ยพอเราเลือกนะหรือว่ารู้ว่าจะเลือกอะไรแล้วเนี่ยมันมีไม่พอนะมันต้องลงมือทำอย่างที่เลือกด้วยก็เหมือนกับเราตัดสินใจเลือกนักการเมืองเลือกพักแล้วเนี่ย มันไม่พอเราต้องเดินไปคูหาเลือกตั้งบางทีก็ต้องขับรถไปเรื่องในใจไม่ได้นะมันต้องมีการกระทามีการลงไม้ลงมือเนี่ยการเลือกมันถึงจะสำฤทธิผลสำฤทธิผลก็ไม่ได้ว่าจะเป็นไปอย่างที่เราปรารถนาเสมอไปนะแต่งน้อยเนี่ยเมื่อเราตัดสินใจเลือกแล้วเราไปคูหาเลือกตั้งแล้วก็หย่อนบัตรอย่างน้อยมันก็ คนที่เราเลือกไม่ได้หนึ่งคะแนนตอนนั้นก็ชั้นนั้นเนี่ยเมื่อเราเลือกว่าจะเติมสุขให้ใจไม่เพิ่มทุกข์ให้ใจเราเลือกที่จะมองบวกไม่มองลบเลือกที่จะรู้ทันความคิดและอารมณ์ไม่ใช่ไหลไปตามความคิดและอารมณ์เลือกที่จะเห็นทุกข์รู้ทุกข์ไม่ใช่เป็นทุกข์มันก็ต้องลงมือทำ ลงมือทําก็คือฝึกนะฝึกให้คิดบวกเป็นต้นหรือฝึกให้รู้ทันความคิดโดยการมาหมั่นมองจิตมองใจสังเกตความคิดและอารมณ์ของตัวแล้วก็รู้จักนะเฝ้าสังเกตเวลามีอะไรมากระทบสมหวังไม่สมหวังถูกใจไม่ถูกใจถูกใจก็ไม่ใช่เอาแต่ดีใจลิงโลด ่อไม่ถูกใจก็แต่เตี่ยวกชกหัวมันต้องกลับมาดูใจนะเห็นความดีใจที่เกิดขึ้นเห็นความเสียใจความไม่พอใจที่เกิดขึ้นกลับมาดูใจของตัวไม่ใช่ปล่อยใจไปตามอารมณ์หรือตามสิ่งที่มากระทบจากภายนอกในการลงมือทำตามที่เลือกเนี่ยสำคัญนะ เพราะถ้าเราอยากหรือเลือกแล้วแต่ไม่ทำไม่ลงมือทำเนี่ยปล่อยใจไปตามอารมณ์ปล่อยใจไปตามกระแสสุดท้ายเราจะไม่มีสิทธิ์เลือกนะเพราะว่าไอความคิดและอารมณ์ต่างๆ่วนทั้งกิเลสความคิดความอยาก รวมไถึงความทุกข์ด้วยนะความโกรธมันจะมีกำลังจนครอม ง, งาจิตมีอำนานเหนือจิตใจของเราและถ้าปล่อยให้มันครอม ง, งาใจนะถึงจุดหนึ่งนี่เราเลือกไม่ได้เลยนะเราจะตกอยู่ในอำนาจของมันอยากจะมองบวกแต่มันมองไม่ได้สักทีทนะมันมีแต่คิดลบเห็นลบ อยากจะรู้ทันความคิดอารมณ์จนเป็นอิสระจากความคิดอารมณ์แต่ว่ามันคิดทีไรหรือความคิดเกิดขึ้นทีไรมันเล่นงานจิตใจจนหมดเนื้อหมดตัวอยากจะรู้ทันความโกรธนะแต่สุดท้ายความโกรธมันคล่องงานจิตกลายเป็นคนมักโกรธเป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนกิ้งงุดนิดมันมีคนจนำนวนไม่น้อยเลยเนี่ยที่พอปล่อยจิตปล่อยใจนะไปตามอารมณ์ ไปตามสิ่งกระทบแล้วถึงเวลาจะเลือกมันเลือกไม่ได้แล้วเพราะอยู่ในตกอยู่ในอำนาจของอารมณ์พวกนี้เราจะเห็นคนแก่หลายคนเลยนะหงุดหงิดเจ้าอารมณ์ชีวิตกกังวลแล้วบางคนก็รู้นะว่ามันไม่ดีแต่ว่าหักข้ามใจไม่ได้เพราะว่าถูกมันครอบงาเสียแล้ว บางคนก็ถึงกับเป็นโรคซึมเศร้าจะพยายามสลัดจิตให้ออกจากอารมณ์พวกนี้มันก็ไม่สำเร็จบางคนพอถึงเวลาจะตายเนี่ยโอ้โหมันความคิดต่างๆมันจู่โจมทำให้เกิดความวิตกกังวลเกิดความแค้นเกิดความกลัวเกิดความพยาบาท แต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะมันได้บงคนห่วงทรัพย์นะไอตอนที่มีเวลาที่จะเลือกเป็นนายของทรัพย์ก็ไม่ยอมเลือกนะปล่อยให้ทรัพย์มาเป็นนายพอถึงเวลาแก่ตัวลงเนี่ยมันคิดแต่เรื่องเงินเรื่องทองแม้กระทั่งบางคนเป็นอัลไซเมอร์แล้วนะแต่ว่าก็ยังห่วงเงินห่วงทองห่วงทรัพย์สมบัติ เป็นทุกข์ที่คนบางคนเป็นหนี้ไม่ยอมจ่ายลืมลูกลืมหลานแต่ว่าไม่ลืมลูกหนี้ก็เลยกลายเป็นคนที่เต็มไปด้วยความทุกข์แลควาจริงเราก็เลือกได้นะว่าจะเป็นคนแก่ที่อารมณ์เย็นนะผ่อนคลายรู้จักปล่อยวางหรือเป็นคนแก่ที่เอาแต่งหงุดหงิดหัวเสียเจ้าอารมณ์ขี่บน หรือว่าซึมเศร้าสุดท้ายเราเลือกได้ไม่กระทั่งว่าเมื่อถึงวาระสุดท้ายเราจะตายแบบไหนตายด้วยใจสงบหรือตายด้วยความทุรนทุรายเพราะปล่อยวางอะไรต่ออะไรก็ไม่ได้เพราะมีความสึกผิดติดข้างใจเพราะมีความโกรธเกลียดคัดแค้นพยาบาทอุโมงมนห น, นาหนาเนะหลายคนนี่เดี๋ยวว่าแต่ระยะสุดท้ายเลยตอนตอนแก่แล้วจงจริงบทีมไม่ไม่ต้องรอให้ตอนให้แก่ก็ได้ บางคนพอถึงวัยกลางคนนี่จิตใจจมดยู่ในความทุกข์มากถูกอารมณ์จู่โจมหรือว่าคร่องงมเําจิตชนิดที่ไม่สามารถที่จะถอนใจออกจากอารมณ์พวกนี้ได้เพราะเขาไม่ยอมที่จะเลือกนะว่าจะมีชีวิตที่เป็นอิสระจากอารมณ์นี้หรือเปล่าหรือว่าเลือกว่าเนี่ยเมื่อมีสิ่งที่ไม่ถูกถูกใจเนี่ยเราจะ ไม่โกรธไม่โมโหแต่เราจะตั้งมั่นอยู่ในความสงบเป็นเพราะไม่เลือกในขาที่มีเวลาพอปล่อยเวลาผ่านเลยไปผ่านเลยไปก็กลายเป็นว่าถูกอารมณ์พวกนี้ครอม ง, งนจนกระทั่งไม่มีสิทธิเลือกแล้วก็อยู่แบบทุกข์ทรมานอยู่ด้วยความร้อนรุ่มแล้วก็ตายด้วยใจที่ไม่สงบอันนี้มันเห็นเยอะมากนะเป็นเพราะว่า เราไม่รู้จักเลือกในสิ่งที่สำคัญนะในขณะที่ยังมีเวลาหรือถึงเลือกหรือถึงลู้งอยากจะมีชีวิตจิตใจอารมณ์แบบไหนแต่ว่าไม่ลงมือกระทาไม่ลงมือทำอย่างที่เลือกมันก็มีผลเหมือนกันนะก็คือว่าสุดท้ายก็เลือกไม่ได้ปล่อยให้อารมณ์และความทุกมาเป็นนายนะซึ่งก็นําว่าน้าเสียดายมาก อ่าขนมีผู้ทนนินนะ